เรื่องของความอาถรรพ์เร้นลับเกี่ยวกับโลกวิญญาณยังคงแทรกตัวอยู่ท่ามกลางความมืดมิดไม่ไวายเว้นคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของตำนานอาถรรพ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความลี้ลับในโลกวิญญาณมาเนิ่นนานแม้ในยุคปัจจุบันก็ยังคงปรากฏเหตุการณ์เหนือคําอธิบายอยู่เสมอโดยหลายครั้งอาจถูกหยิบยกมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งทางหนังสือพิมพ์จนเป็นข่าวคลื่โครมซึ่งเมื่อปรากฏข่าวคราวในลักษณะเช่นนี้ออกมาแต่ละครั้ง ก็มักจะได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทุกครั้งไปที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าสังคมส่วนใหญ่ค่ะยังคงมีความเชื่อว่าเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพูดผีวิญญาณ น, นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการพิสูจน์และตราบใดก็ตามที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนตราบนั้นตหนานอาถรรพ์ต่างๆก็ยังคงตราตรึงอยู่ในความเคลือบแคลงของคนทั่วไปไม่รู้จบสิน้น จริงๆแล้วเรื่องในทํานองนี้ก็เคยมีมาก่อนหลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็ในครั้งเดียวกันนี้ทุกวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องประหลาดเหล่านี้ปรากฏอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวอย่างเช่นบ้านร้างหลังหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ที่เขตอําเภอบ่อพลอยวันนี้บีเองก็จะขอนําเสนอเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังในแชนแนลพระเจอผีได้ฟังกันค่ะ เรื่องราวของบ้านร้างหลังที่ว่านี้ตั้งลึกเข้าไปในย่านชุมชนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกอ้อยน้ำตาลขายจากข้อมูลที่บได้รับมาก็ได้เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้ควรนำมาเล่าสู่กันฟังในเชิงอาถรรพ์จากการได้พูดคุยกับผู้ที่รู้ในพื้นที่ทำให้มาจบลงที่เรื่องราวอาถรรพ์ของบ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งความจริงแล้วจะเรียกกันว่าบ้านร้างซะเลยทีเดียวก็ไม่เชิงค่ะ เพราะว่าทุกวันนี้เจ้าของบ้านยังคงให้การดูแลรักษาอยู่แต่ถ้าจะเรียกว่าบ้านอาถรรพ์ก็คงจะไม่ผิดนะคะเพราะว่าถ้าจะวัดระดับความเฮี้ยนของพูดผีในบ้านหลังนี้แล้วต้องยกให้อยู่ในอันดับต้นๆได้เลยทีเดียวค่ะ จากประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาทำให้ผู้คนในตระกูลซึ่งเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวมาตั้งแต่อดีตอยู่ในบ้านหลังนี้กันไม่ได้หลังจากหัวหน้าครอบครัวต้องมีอันเป็นไปโดยลูกหลานแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายออกมาสร้างบ้านเรือนอยู่รอบๆแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงต้องดูแลปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้อยู่ในสภาพสะอาดสะอ้านตลอดเวลาทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยและที่แปลกกว่านั้นก็คือ ทุกๆปีในวันสงกรานต์เหล่าลูกหลานจะนำอาหารข้าวหวานเข้าไปเส้นไหว้เป็นประจำพฤติกรรมแปลกประหลาดดังกล่าวถูกกระทําต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานเมื่อเข้าไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับบรรดาพี่น้องผู้มีฐานะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านผีดุหลังนี้หลายคนนะคะก็พอจะจับใจความได้ว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนตั้งแต่สมัยที่พวกเขาเองก็ยังคงเป็นเด็กๆอยู่ ผู้ที่เป็นพ่อของพวกเขาเนี่ยได้นำเอาผีเข้ามาเลี้ยงผีที่ว่าเนี่ยเรียกกันว่าผีหมอนค่ะตำนานอาถรรพ์บ้านผีหมอนเริ่มขึ้นเมื่อสมัยที่ผู้นำครอบครัวได้เข้ามาบุกเบิกถากถางพื้นที่ทำมาหากินบริเวณนี้และเคยเห็นคนเกีหยีที่อาศัยอยู่ทาง อำเภอสังขละบุรีเขาเลี้ยงผีบูชาผีแล้วชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นคนในบ้านไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอีกทั้งยังมีฐานะร่ำรวยจากการทำไร่จากการหาของป่าขายก็เลยเกิดความสนใจค่ะอยากจะเลี้ยงผีกับเขาบ้าง ผีหมอนตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงโบราณหมายถึงผีชนิดหนึ่งซึ่งนิยมเลี้ยงกันเพราะว่าจะทำให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงอีกทั้งยังเชื่อนะคะว่าการเลี้ยงผีหมอนจะช่วยดลบรรดาลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เลี้ยงสุขสบายขึ้น สำหรับผีหมอนในบ้านร้างที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีหลังดังกล่าวนะคะถูกเก็บไว้ในหีบไม้เก่าๆซึ่งถูกปิดตายแล้วก็จะมีตะกร้าสารใบหนึ่งปูผ้าขาวไว้สำหรับวางตัวเต่าแห้งๆตั้งไว้บนหิ้งบูชาซึ่งได้สร้างต่อเติมขึ้นภายในบ้านระยะแรกๆที่พ่อหรือว่าหัวหน้าครอบครัวของพวกเขาเนี่ยนสิ่งที่ว่านี้เข้าบ้าน ท่านก็นำอาหารขาวหวานไหวพลีผีอยู่เรื่อยๆไม่ได้ขาดค่ะแต่พอมาระยะหลังนะคะเมื่อโรคชรารุมเร้าก็เลยทำให้ผู้ที่เป็นแม่ของครอบครัวนี้เสียชีวิตไปจากนั้นผู้เป็นพ่อก็ตามไปอย่างสงบนะคะโดยปล่อยให้ลูกๆอยู่อาศัยกันในบ้านไปตามประสาพี่ๆน้องๆ เพียงไม่นานหลังจากที่ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตไปบ้านหลังนี้ก็เกิดอาถรรพ์ขึ้นตามมาตลอดโดยมักจะมีเสียงคล้ายกับคนวิ่งเล่นไปมาบนสังกะสีหลังคาบ้านเนี่ยนะคะอย่างสนุกสนานหรือบางทีค่ะก็คล้ายกับว่ามีหินก้อนใหญ่ตกลงมากระทบหลังคาทำให้ทุกคนในบ้านตื่นกลัวโดยเฉพาะทุกวันพระจะมีเสียงคนเคาะไม้ฝาบ้านดังขึ้นเป็นระยะเคาะวนไปจนรอบบ้านแล้วก็หยุด เสาบ้านที่ไม่เคยตกน้ํามันก็มีน้ํามันไหลยเยิ้มออกมาจนถึงทุกวันนี้ก็สร้างความหวาดผวาให้กับบรรดาลูกๆที่ยังคงอยู่อาศัยภายในบ้านเป็นอย่างยิ่งนะคะสมัยนั้นบริเวณนี้ก็ยังคงแวดล้อมไปด้วยป่าไผ่ค่ะแล้วก็ในหมู่บ้านก็ยังมีคนเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อทําไร่ทําสวนไม่กี่หลังคาเรือนบ้านหลังนี้ก็เลยเป็นบ้านที่ใหญ่โตที่สุดนะคะไม่เฉพาะญาติพี่น้องเท่านั้น แต่ว่าใครที่ผ่านมาก็มักจะมาขอพักอาศัยแล้วก็ทุกๆอะไรนะคะก็จะต้องถูกสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตัวเนี่ยลากขาหรือว่าอุ้มออกไปนอนตากน้ำค้างอยู่นอกบ้านต่อมาอยู่ดีๆพี่ชายคนโตค่ะซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ภายในบ้านกลับต้องกลายเป็นคนวิกลจริตเสียสติพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องไปซะเฉยๆโดยไม่มีสาเหตุนะคะ แล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นน้องสาวคนเล็กในครอบครัวก็มาถูกสามีใช้ปืนยิงสมองกระจายตายคาบ้านค่ะต่างคนก็ต่างถูกผีหลอกผีหลอนเนี่ยจนขวัญภวหาสิ่งนี้เองที่เป็นสัญญาณครั้งล่าสุดที่ทำให้ทุกคนในบ้านต่างพากันแยกเรือนออกมาทำให้บ้านซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่กันอย่างอบอุ่นกลับกลายเป็นบ้านร้างผู้อยู่อาศัย แล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นสถานที่เก็บกระดูกของบรรดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปโดยปริยายรูปภาพในอดีตของผู้คนที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นถูกนํามาห้อยแขวนเรียงรายไว้ตามฝาบ้านเป็นแนวยาวค่ะทําให้ดูคล้ายกับว่าสถานที่แห่งนี้คือสุสานของวงตระกูลสําหรับพฤติกรรมบูชาผีของหัวหน้าครอบครัวผู้ล่วงลับคงไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะหากการบูชานั้นเป็นการกระทําเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษ ผีพ่อผีแม่หรือจะเป็นผีปู่ย่าตายายที่เราทุกคนเนี่ยฮะเรียกกันว่าผีบ้านผีเรือนซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณการจนกลายเป็นประเพณีตกทอดมาจนถึงปัจจุบันแต่ที่แปลกประหลาดก็คือผีหมอนผีชนิดนี้เป็นผีที่อยู่นอกเหนือจากผีบรรพบุรุษแต่กลับมีอิทธิพลและมีอภิสิทธิ์มากพอกับผีปู่ย่าตายายในบ้านหลังนี้ เพราะพอถึงงานบุญสำคัญของทุกๆปีเหล่าลูกหลานก็ต้องเตรียมสำรับอาหารอย่างดีไว้อีกต่างหากชุดหนึ่งเพื่อไหว้พลีผีชนิดนี้ไปพร้อมๆกับการบูชาบรรพบุรุษโดยที่ไม่มีลูกหลานรุ่นไหนนะคะกล้าที่จะนำผีหมอนเนี่ยออกไปให้พ้นจากชายคาบ้านถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ชวนให้ทุกคนขนหัวลุกกับฝันร้ายในอดีตก็ตามไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วสักกี่สิบปี หิ่งผีหมอนก็ยังคงตั้งอยู่อย่างนั้นในบ้านร้างอาถรรพ์ที่อำเภอบ่อพลอยและผีหมอนวิญญาณอาถรรพ์จากป่าดงพงไพรก็จะยังคงวนเวียนอยู่ในจิตสำนึกของคนตระกูลนี้ต่อไปอีกนานเท่านานโดยไม่มีวิธีแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนอกจากยอมรับความจริงเขะว่า ต้องไหว้ดีพลีถูกเท่านั้นเพื่อให้เรื่องราวอาถรรพ์รุนแรงร้ายกาจไม่อาจกร่ำกลายมาสู่วงตระกูลได้อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าปัจจุบันคนในตระกูลนี้จะยังคงไหว้พลีผีหมอนอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงปรากฏเรื่องราวให้ชวนขนลุกอยู่เสมอเช่นบางครั้งบนบ้านร้างก็มักจะมีคนเห็นดวงไฟบ้างก็เห็นชายชาราที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของวงตระกูลออกมานั่งชานเรือนดูดยาเส้นแดงวาบนะคะบ้างก็เห็นผู้หญิงชุดไทยห่มสบเฉียงเดินไปมาคนที่เห็นก็เข้าใจนค ะ, ะว่าเป็นนางไม้ที่สิงสถิตยอยู่ในเสาตกน้ำมันเหตุการณ์ทั้งหมดจึงทาให้ชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง อดที่จะอกสั่นขวัญผวาไม่ได้ในทุกๆครั้งที่รัติการคืบคลานผ่านมาเยือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นโพผีสิงค่ะซึ่งหลอกหลอนชาวบ้านที่ผ่านไปมายามวิการมาแล้วหลายรายผีต้นโพได้สําแดงปฏิหารหลอกหลอนชาวบ้านที่ผ่านไปมานับไม่ถ้วนยิ่งวันไหนเป็นคืนเดือนหงาย เป็นวันโกนวันพระก็สามารถมองเห็นภาพต่างๆได้จากความสว่างนวลของแสงจันทร์ก็จะมีผู้ที่ได้พบกับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวอยู่เสมอนะคะต้นโพแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนค่ะซึ่งมองดูรวมๆแล้วก็ห่างไกลาจากบ้านผู้คนเนื่องจากความห่างไกลบ้านผู้คนนี่เองนะคะบรรยากาศตอนกลางคืนนี่คงจะวังเวงโดยไม่ต้องบอกกล่าวเลยนะคะ่คว่าจะวังเวงขนาดไหน ส่วนด้านหลังของต้นโพแห่งนี้ เ, นเป็นโครงการที่ดินจัดสรรที่ต้องมีอันล้มเลิกไปด้วยอาถรรพ์ของพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นโครงการร้างที่ล้มพับไปอย่างไม่น่าเชื่อเพราะผู้ร่วมธุรกิจก็มักจะเกิดการทะเลาะมีปากเสียงกันเสมอจนล้มเลิกโครงการแห่งนี้ไปในที่สุดค่ะโดยจะคําบอกเล่าของคุณโอนะคะที่เป็นพนักงานบาร์ที่จังหวัดชายภูมิได้เปิดเผยค่ะบอกว่าตัวเธอเนี่ยมีบ้านอยู่ที่หมู่บ้านส้มป่อย เวลาเดินทางก็จะต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนอกจากเจออาถรรพ์ที่ทําให้โครงการแห่งนั้นพับไปแล้วคุณโอยังบอกนะคะว่าความเี้ยนของผีสิงในต้นโพแห่งนี้เนี่ยมีนับไม่ถ้วนเหมือนกันชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่เจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรหรอกเพราะว่าเวลาปรากฏตัวแต่ละครั้งนี่จะมีแต่ความน่ากลัวอยู่เสมอบางรายถึงกับจับท่ายหัวกรนจะต้องพาไปรดน้ํามนกันเลยทีเดียวค่ะ ที่น่ากลัวสุดๆก็มีอยู่รายหนึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันคุณโอ๋บอกว่าตอนนั้นคุณโอ๋ยังไม่ได้เดินทางไปทางานในกรุงเทพก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งกลับมาจากไปเที่ยวนะคะแล้วก็ต้องขับรถผ่านต้นโพแห่งนี้ซึ่งตอนนั้นด้วยความไม่รู้กิติศัพท์ของต้นโพแห่งนี้ชาวบ้านผู้เคราะหร้ายผู้นั้นเนี่ยก็ได้จอดแวะปัสสาวะข้างทาง พอแง่หน้าขึ้นมองไปบนต้นโพแค่นั้นแล้วค่ะก็สัมผัสกับภาพอันสยดสยองใบหน้าอันฟอนเฟของผีตนหนึ่งกำลังยืดคอห้อยหัวลงมาแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกแค่นั้นเองเจ้าตัวถึงกับร้องเสียงหลงสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาถึงบ้านก็เพ้อหวาดภาวาเหมือนคนเสียสติจนต้องพาไปรถน้ำมนต์อยู่นานก็กลายเป็นข่าวฮือฮาของชาวบ้านไปในแถบนั้นอยู่ภาคนึง่นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นกับหลานชายแท้ๆของคุณโอเองโดยช่วงนั้นหลานคุณโอบวชเป็นสา ม, มเณรภาคได้ดูร้อนแม่ชีก็จะพาบรรดาเนนเนนเนี่ยไปบินทบาทโดยพากันนั่งรถหกล้อไปในยามเช้าตรู่ปรากฏนะคะว่าเมื่อมาถึงบริเวณต้นโพแห่งนี้ทุกคนรวมในรถทั้งหมดรวมถึงคนขับด้วยต้องตกใจสุดขีดเมื่อมองไปด้านหลังเนี่ยเห็นหมาดาตัวใหญ่เท่ากับเสือ เป็นสีดำคลับไปทั้งตัวเลยนะคะกำลังวิ่งตามรถมาซึ่งสัมเ็นทั้งคันรถบอกตรงกันว่ามันไม่ใช่หมาบ้านธรรมดาเพราะว่าตัวมันใหญ่กว่าแล้วก็ดูไม่สกรปรกชาวบ้านพอได้ฟังต่างก็เชื่อนะคะว่าคงจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของต้นโพสําแดงเดชให้เห็นอีกแล้วไม่ใช่แต่เป็นหมาดำตัวใหญ่ๆเท่านั้นนะคุณผู้ฟังตัวคุณโอเองก็บอกว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับต้นโพผีดุต้นนี้มาแล้ว คือคุณโอ๋บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยคุณโอ๋เป็นนักเต้นประจำวงดนตรีที่รับงานอยู่ในจังหวัดนั้นคืนนึงหลังจากเสร็จงานก็พากันขับรถกลับบ้านค่ะแล้วก็ต้องผ่านต้นโพผีดุแห่งนี้พอขับรถมาถึงบริเวณต้นโพคนขับรถก็มองเห็นแต่ไกลเลยนะว่าเหมือนมีท่อนไม้ขนาดใหญ่วางขวางอยู่กลางถนน พอขับรถเข้าไปใกล้กลับกลายเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ค่ะกำลังเลื้อยเข้าไปทางต้นโพด้วยความตกใจกลัวจะทับคนขับรถก็เลยเบรกแล้วก็ลงไปมองดูหน้ารถปรากฏนะฮะว่างูเหลือมยักษ์ตัวนี้เนี่ยหายไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งก็ถือว่าผิดวิสัยของงูเหลือมนะนอกจากงูเหลือมที่เป็นงูที่เลื้อยช้าแล้วนะะอยู่ๆหายไปต่อหน้าต่อตาคนทั้งคันรถแบบนี้ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากเจอดีเข้าให้ นอกจากจะเจอเรื่องแปลกๆทํานองนี้แล้วนะคะบางคนแปลกถิ่นเข้ามาก็เจอดีเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงเดินทางมาหาญาติที่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณโอโบรถมาจากต่างอาเภอผ่านถนนสายนี้ยามค่ำคืนพร้อมกับพักพวกซึ่งนั่งรวมๆกันมาอยู่ในรถกระบะก็ประมาณ3คนนะคะพอขับมาบนถนนสายนี้ก็เกิดนึกอยากหาอะไรกินพอดีเห็นร้านค้าเปิดไฟอยู่ข้างหน้าก็เลยแวะลงไปกินกันจนอิ่ม แล้วก็ขับรถมาถึงบ้านญาติญาติก็ถามว่ากินอะไรกันมาหรือยังก็ตอบว่าอิ่มมาแล้วแวะร้านก่อนเข้าหมู่บ้านตรงต้นโพใหญ่นั่นแหละแค่นั้นล่ะค่ะความก็แตกพอรุ่งเช้าก็ให้หนุ่มๆทั้ง3าที่บอกว่าแวะกินข้าวเมื่อคือนเนี่ยขับพาไปดูร้านค้าปรากฏว่ามีแต่ต้นโพเปล่าๆค่ะไม่มีร่องรอยของร้านค้าให้เห็นเลยแม้แต่น้อยญาติที่นั่งมาดูด้วยก็ขนลุกเลยนะคะบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยคงจะเจอผีที่ต้นโพหลอกเข้าแล้วละ่ะ เรียกได้ว่ามีทุกเรื่องราวมีทุกรูปแบบที่ต้นโพแห่งนี้ที่สำคัญความเฮี้ยนแบบนี้อย่าคิดว่าจะมาขอหวยได้ง่ายๆนะเพราะว่าเคยมีคนอยากจะลองของเหมือนกันมาจุดทูบขอหวยนั่งดูตอนดึกๆค่ะปรากฏว่านอกจากจะไม่ได้หวยแล้วยังได้ยินเสียงคนหัวเราะเสียงแหลมๆเยือกเย็นมาจากต้นโพต้นนี้โดยไม่มีใครมองเห็นที่มาของเจ้าของเสียงนะคะ แสดงว่าวิญญาณที่อยู่ในละแวกนี้ชอบหลอกผู้คนอย่างเดียวค่ะไม่ชอบให้หวยที่ใต้ต้นโพใหญ่ก็จะมีสารพระภูมิเก่าๆที่เขานํามาทิ้งไว้มีรูปปั้นแทนองค์ต่างๆในสภาพหักพังผู้คนต่างก็ล้วนแต่จงใจนํามาทิ้งที่นี่ก็เลยทําให้ไม่รู้เหมือนกันนะครัว่าดวงวิญญาณหรือว่าองค์ต่างๆที่ถูกนํามาทิ้งที่นี่หรือไม่ที่มาปรากฏตัวแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวแก่ผู้ที่ผ่านไปมาอยู่บ่อยครั้ง แต่ว่าถ้าจะให้เดานะจากคำบอกเล่าก็พอจะคาดคะเนได้นะคะว่าคงไม่ใช่มีเพียงวิญญาณที่สิงสู่อยู่ตนเดียวไม่รู้ว่าวิญญาณอะไรต่ออะไรคงจะมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็ยังไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนเห็นว่าพระธุดงจะกล้ามาปักหลดอยู่ใต้ต้นโพแห่งนี้เลยนั่นก็แสดงนะคะว่าความเฮี้ยนของต้นโพผีสิงแห่งนี้ยังคงมีพลังมากพอจนสามารถที่จะสําแดงฤทธิ์ให้ใครต่อใครหวาดผวามานักต่อนักแล้วล่วะคะ่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยบี B. เองก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่ให้ความเมตตาต่อช่องพระเจอผีช่องน้อยๆช่องนี้คุณผู้ฟังเองก็อย่าลืมนะคะกดถูกใจแล้วก็กดติดตามชแนลพระเจอผีของเราด้วยไม่ใช่จะมีแต่เรื่องพระเท่านั้นยังมีเรื่องของตำนานประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะเรื่องที่ชาวบ้านพูดกันปากต่อปากรวมถึงข่าวหน้าหนึหน่งทางหนังสือพิมพ์เรื่องลี้ลับอา หรือว่าจะเป็นเรื่องผีค่ะที่บีเองก็พยายามสรรหานำมาฝากคุณผู้ฟังส่วนเรื่องราวต่างๆคุณผู้ฟังประสบพบเจอมาด้วยตัวเองนะคะสามารถที่จะส่งเข้ามาใน Facebook ของเราได้ที่ w w w facebook com s h พระเจอผี ส่วนใครที่ส่งเรื่องมาแล้วบีขออนุญาตให้เวลาบีนิดนึงในการเรียบเรียงเพื่อที่จะนำมาเป็นคำอ่านนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคุณผู้ฟังส่งมาเป็นคำเขียนนะคะก็ค่อนข้างจะอ่านสับสนนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบีขออนุญาตเรียบเรียงก่อนแล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์บีเองก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เช่นกันอาจจะตอบทันบ้างไม่ทันบ้างอย่าเพิ่งน้อยใจยไปนะคะทุกๆคนแต่ว่าบีเห็นหมดทุกข้อความที่คอมเมนต์มานะคะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ